นะครับโดยศาสตราจาย์ดรเฟรีเหากันไพครับเชิญครับครับพี่น้องครับวันนี้พวกเราได้เป็นดารา น, นะครับเมื่อกี้เรานุนสการพระเจ้าเราได้ออกไลฟ์ f เฟซบุ๊กถ้าใครสนใจก็ไปเปิด facebook ของผมแล้วก็ดูได้ในช่วงบ่ายช่วงเย็นนะครับการนุนสการพระเจ้าเนี่ยไม่เพียงแต่เราอนุนสการพระเจ้าแต่มีคนก็เฝ้าดูเราอยู่พระเจ้าเฝ้าดูเราอยู่เมื่อเรานุนสการ์พระเจ้าเฉะนั้นก็ จะเป็นสิ่งที่เตือนให้เรารู้ว่าทุกอย่างในสมัยเนี้ไม่ว่าเราทำอะไรเนี่ยเราอย่าคิดว่าไม่มีใครเห็นไม่มีใครเห็นพระเจ้าเห็นแล้ววันนี้ที่เราตัสการพระเจ้าพงศ์ก็ท่งรับสิ่งที่เราตัสการพง์ในเช้าวันนี้และเช้าวันนี้นะครับก็เป็นเดือนมกราและเดือนมกราปีนี้ก็พิเศษอีกนอกจากวันที่หนึ่งตรงกับวันอาทิตย์แล้วเราก็ยังมีตรจีน ตรงในเดือนมกราคมนะฮะแล้วเราเห็นว่าพระเจ้าให้โอกาสเราเนี่ยเริ่มต้นชีวิตใหม่บ่อยๆแล้วก็อย่างน้อยปีเนี่ยปีใหม่ผ่านไปเรานึกว่าผ่านไปแล้วก็ตุรจีนมาเตเราว่ายังมีปีใหม่นะยังให้โอกาสอีกดัะนั้นถ้าใครพลาดโอกาสของปีใหม่สากลไปเมื่อวันที่หนึ่งมกราคมวันนี้ก็เป็นโอกาสอีกครั้งหนึ่งที่เราจะ ทิ้งของเก่าเริ่มของใหม่ถ้าจะถามว่าคริเสเตียนคือใครก่อนที่จะพูดตรงนี้ก็จะบอกว่าคริเสเตียนไม่ใช้คนที่มาบสถ์ทุกอาทิตย์แล้วจะบอกว่าเป็นคริเสเตียนคริเสเตียนไม่ใช่คนที่เรียกตัวเองว่าเป็นคริเสเตียนแล้วเป็นคริสเตียนคริสเตียนไม่ใช่นคนที่ห้อยแมงเคนะทางไโ้นคนอื่นคิดว่าเป็นคริเสเตียนแต่ที่นี้ของพระเจ้าที่เราได้อ่านไปเนี่ย ผมไม่ได้เรียงข้อแต่อยากเอาแนวความคิดมาให้เราหลายครั้งที่เราอ่านพมพีใหม่เราอาจจะรู้สึกว่าฌานรนโบโลผู้แหลมรู้เยอะแยะไปหมดนะฮะฌา์โบโลเนี่ยมีประสบการณ์ชีวิตเยอะมากท่านอ่าถูกกดขี่คมเพงประกาศขา่าวไปทั่วเะั้นท่านมีความรู้แน่นเอียดเั้นบางทีท่านจะใส่อะไรเข้ามาเต็มแต่เราไม่มีประสบการณ์อย่างท่านเราอาจจะอ่าไม่รู้สึกประทับใจ ในคําสอนของอาจารย์ปรโรแต่วันนี้ผมจะให้อ่านผมก็คิดว่าจะเทศนาทั้งบทเนี่สงสยัยวันนี้ก็ไม่จบก็เลยขออตอนหนึ่งแต่ในตอนหนึ่งก็ยังต้องเลือกบางส่วนเพราะเรามีเวลาเอไม่มากนะัะแล้วก็บางทีเราฟังเยอะเราก็จำอะไรไม่ได้ดังนั้นผมพยายามจะคัดเลือกบางส่วนที่ชื่อว่าเกี่ยวข้องกับเราพระคัของพระเจ้าในโครสีบทที่สามข้อสิบสองเนี่ยได้พูดถึงการที่พระเจ้าทรง เลือกเรานะฮะในที่นี้พระเจ้าได้พูดไว้ในข้อที่สิบสองบอกว่าเพราะฉะนั้นในฐานะเป็นผู้ที่พระเจ้าทรงเลือกนะฮะพระเจ้าทรงเลือกและไม่เพียงแต่พระเจ้าเป็นผู้ทรงเลือกแต่พวกเราเป็นพวกที่บริสุทธิ์แต่ความเป็นผู้บริสุทธิ์ของเราเน้นไม่ใช่เพราะว่าเราบริสุทธิ์ตั้งแต่แรก แต่เราถูกชำระให้เบิสุดโดยพระโลหิตของพระเยซูคริสต์เล็กอันหนึ่งก็บอกว่าพวกที่ทรงรักนะฮะเพื่อพีไทยเนี่ยได้เปรียบเพื่อพีภาษาอื่นๆตรงที่ว่าพอใช้คำว่าทรงรักก็รู้ว่าใครรักเราเพราะมีราชาศัพ์เราไม่ให้ถูกใครก็ไม่ว่ามารักเราภาษาไทยเราไม่ใช่การถูกกระทำในสิ่งที่ดี เราไม่ใช้ Passive Voice อ่าแตภาษาอังกฤษ จ, จะ Be Love เราใช้ได้แต่ภาษาไทยเราฟังก็แปลกๆฉันถูกรักแต่ว่าเมื่อภาษาไทยบอกว่าเราเป็นคนที่ส่งรักเนี่ยก็รู้ว่าใครรักเราพระเจ้ารักเรานี่มนุษย์คนอื่นไม่พ่อแม่แต่พระเจ้ารักเรารักเราในหายที่เราเป็นคนไม่น่ารัก อั่นคือเศียรคือคนที่พระเจ้ารักและพระเจ้าไม่เพียงแต่รักเท่านั้นพระเจ้ายังทรงเรียกเราในข้อที่สิบห้าส่วนครึ่งหลังนะฮะบอกว่าพระเจ้าทรงเรียกท่านให้มาเป็นกายเดียวกันก็เพื่อสันติสุขนี้พระเจ้าเรียกพระเจ้าไม่ได้ปล่อยให้เราเดินตามยถากรรมพระเจ้าไม่ได้ปล่อยให้เราล่องลอยในโลกนี้โดยไม่มีเป้าหมายพระเจ้า ให้เราเกิดในครอบครัวที่ยากจนก็ยังมีเป้าหมายพระเจ้าเรียกเรามาจากครอบครัวที่ยากจนพระเจ้าเรียกเรามาจากครอบครัวที่ร่ารวยก็ได้แต่พระเจ้าเรียกเรามาจากฐานะต่างๆกันและพิเศษไปกว่านั้นอีกก็คือเราเป็นขึ้นมาด้วยกันกับพระคิดแล้วก็คือเมื่อก่อนเราเป็นคนละพวกกับพระเยซูคริตดแต่เราเป็นขึ้นมากับพระคิดการเป็นขึ้นมากับพระคิดก็เหมือนกับที่เรามีพิธีปัสติศมา ออาจารย์เปโรถ่ายอธิบายว่าเมื่อเราจุ่มลงไปมิดศีร ษ, ษ, ษ, ษนะน่ะเหมือนกับเราฝังตัวเก่าของเราแล้วเมื่อเราขึ้นมาอย่างน้ําก็เราเป็นขึ้นมาพิเยสคริตคนที่รับบัสมาไม่ใช่เพียงผ่านพิธีกรรมเท่านั้นเองแต่มันเป็นภาพช่วยให้เรามองเห็นอย่างชัดเจนว่าเราเป็นขึ้นมากับพิเยสุคริสเมื่อเราเป็นขึ้นมากับพิเยสคริตหมายความว่าอะไรเราเป็นพวกเดียวกับพิเยสคริตเราจะดําเนินชีวิตแบบเดียวกับพิเยสุคริส มนุษย์เก่าไม่มีอำนาจอีกต่อไปจึงบอกว่าเราตายแล้วนะในข้อสามนะเพราะว่าท่านตายแล้วแลยชีวิตของท่านซ่อนไว้กับพระคิดในพระเจ้าเราตายฝ่ายเนื้อหนังเราตายฝ่ายความต้องการ อ, อ, อีโก้หรือตัวตนของเราตัวกูเราเนี่ยหมดไปแล้วเพราะว่าเราซ่อนตัวเราอยู่ในพระคิดเวลามีอะไรเนี่ยใคร อ, อกหน้าพเยซู อ, อกหน้า เราอยู่ข้างหลังแต่ว่าถ้าสังคมหรือพวกเราที่เป็นคริสเตียนนานๆเผ อ, อก็อาจจะแอบพระเยซูบอกว่าขอโผล่หน้ามาดูเราอาจจะขอโผล่หน้ามาดูหน่อยนานๆโผล่หน้าทีก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าโผล่ตลอดเนี่ยเริ่มมีปัญหาความเป็นตัวตนของการเป็นคริสเตียนเราเนี่ยจะหมดไปเพราะเราชอบโผล่หน้ามาเสนอหน้าไม่ยอมให้พระเยซูอยู่ข้างหน้าเราดงั้นใครที่ชอบโผล่หน้าออกมาเนี่ย ช่วยหลบหลบกลับเข้าไปหน่อยเพื่อพระเยซูเนี่ยจะนําหน้าเรานะเะงั้นอย่าเสนอหน้ามากเกินไปชีวิตของเราจะไม่ได้เป็นแบบชีวิตที่พระคิดต้องการให้เราเป็นแล้วคริสเตียนต้องทําอะไรล่ะถ้าถามว่าคริเสเตียนต้องทํำอะไรก็ต้องคิดถึงเวลาไปงานเลี้ยงอ่ะเราจะทํำยังไงเมื่อวานนี้ผมไปร่วมพิธีแต่งงานเป็นผู้ประกอบพิธี ตอนเช้าก็ไปวิ่งที่สวนหลวงก็ใส่ชุดเสื้อยืดสีดำํำกางเกงวอร์มรองท้าผ้าใบไปตอนบ่ายเนี่ยจะไปงานแต่งงานเนี่ยก็ต้องถอดเสื้อเดิมทิ้งแล้วอาบน้ําแต่งตัวแล้วใส่ชุดใหม่เพราะว่าเราไปงานเลี้ยงเราไม่ได้ไปงานวิ่งเไปงานเลี้ยงให้เราชีวิตใหม่ก็คือต้องทิ้งของเก่าแล้วก็สวมสิ่งใหม่เข้ามาแทนที่ ในข้อแปดเนี่ยนะเราไม่ได้อ่านใั้ผมขออ่านเพื่อเราจะรู้บทสั่งเล็กน้อยแต่บัด น, นี้ท่านทั้งหลายจงละทิ้งสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดคือความโกรธความฉุนเฉียวการคิดร้ายและการใส่ร้ายและคำพูดหยาบโลนที่ออกจากปากของท่านข้อเก้าอย่าพูดโกหกต่อกันและกันเพราะว่าท่านได้ปวดวิสัยมนึษ์เก่ากับพฤติกรรมของมนึกนั้นแล้วฮนะ ไอ้ h, ที่ทิ้งเนี่ยมันทิ้งเยอะแต่จําไม่หวัดไม่ไหวแต่ถ้า hmm, บริบทแบบ Louise, ไทยๆเราเนี่ยวันนี้ผมก็ขอพูดสองเรื่องด้วยกันซึ่งเป็นสิ่งที่เราทิ้งบ้างไม่ทิ้งบ้างเดี๋ยวๆเพอๆไอ้ตัวที่ทิ้งไปแล้วหยิบมาใส่อีกนะฮะก็วันนี้จะขอพูดเน้นสองหัวข้อคือความโกรธกับการพูดโกหกความโกรธคืออะไรครับถ้าผมบอกว่าคนไทยโกรธไม่เป็น ก็จะมีคนเถียงผมว่าโอ้ยคนโกรธเยอะแยะแล้วคนไทยเนี่ยบางทีเนี่ยไอตัวเองโกรธเนี่ยคนอื่นไม่รู้คนที่เราโกรธเขาอหรือคนที่ถูกเราโกรธก็ไม่รู้เอ้ลหลายครั้งเนี่ยไอ้คนโกรธก็เจ็บซะเองแต่คนถูกโกรธก็ยังสบายใจอยู่ ก็อยากอธิบายนิดหนึ่งนะครับว่าโกรธไม่เป็นกับไม่โกรธไม่เหมือนกันนะครับหลายคนเนี่ยเข้าใจว่าโกรธไม่เป็นก็คือไม่โกรธนะมีคนบอกไอ้คนเนี้โกรธไม่เป็นมันไม่ใช่โกรธไม่เป็นเนี่ยคือไม่รู้จักจัดการกับความโกรธคนไม่โกรธก็ก็ดีนะแต่ว่าไอ้โกรธไม่เป็นเนี่ยมันแย่เพราะมันเจกอ๊งมันช้าในมันกากกระอวน มันปืดอัดคนโกรธไม่เป็นเนี่ยเหมือนกับคนท้องอื่นคนท้องอื่นเนี่ยหายใจไม่ออกจะตายหน้าก็นิวคิ้วขมวดคนก็ไม่รู้ว่าอาจจะกำลังเคียดอะไรยอยู่ก็ไม่เมื่อคนโกรธไม่เป็นเนี่ยไม่มีใครกล้าเข้าใกล้กลัวกลัวจะเอาอะไรออกมานะค และอีกอย่างหนึ่งในสังคมไทยเนี่ยก็อาจจะทำให้เราโกรธไม่เป็นเวลาเราเห็นคนยืนทะเลาะ ก, กันเนี่ยเราคิดว่าใครผิดถ้ารถสองคันชนกันแล้วก็มีคนสองคนเนี่ยมายืนทะเลาะ ก, กันไอ้คนที่ต่อว่าต่อขาเนี่ยจะถูกโซเชียลมีเดียถ่ายไว้แล้วบอกคนเนี้ยนิสัยไม่ดีพูดจาเกล้าวล้าไอ้คนที่ผิดเนี่ยจะยืนเฉย แต่คนจะยกย่องว่าคนเนี่ยนิสัยดีมากเลยไม่ทเทาะด้วยแล้วสังคมส่วนใหญ่ก็เข้าใจว่าคนโกรธเนี่ยเป็นคนไม่ดีเพราะว่าไปว่าคนอื่นทาไมนะฮะแล้วเราบางครั้งที่เราเป็นขุเนเรีเราก็โกรธไม่เป็นเราก็จะตาหนิคนโกรธว่าเป็นคนไม่ดีน ะ, ะก็อยากจะบอกให้เราชัดเจนนะครับว่า ความโกรธไม่ใช่ความบาปนะฮะเราจะดูเอเฟซัสบทที่สี่ข้อยี่บแปดด้วยกันซึ่งบางคนก็คงจะเคยอ่านแล้วนะครับเอเฟซัสบทที่สี่ข mm ้อยี่สิบแปดเดี๋ยวยี่สิบหยี่สิบหกขอโทษพิมพ์ผิดเอ่อ จะโกรธก็โกรธได้แต่อย่าทำบาปอย่าให้ถึงตะวันตกแล้วยังโกรธอยู่ถ้าบอกว่าโกรธก็โกรธได้อย่าทำบาปก็แสดงว่าอะไรความโกรธไม่ได้เป็นความบาปนะความโกรธไม่ได้เป็นความบาปแต่หลายคนก็จะบอกว่าเอ๊ะเอความโกรธมันเป็นส่วนหนึ่งของตัวเก่าด้วยนะก็ขออธิบายอย่างนี้ว่าตัวมันเองอ่ะความโกรธไม่ได้เป็นความบาปแต่ว่า ความโกรธเนี่ยนําไปสู่ความบาปได้ถ้าไม่โกรธเลยก็ไม่ต้องทําบาปนะถ้าโกรธเนี่ยอยู่กลางๆนะฮนะะฟังผีถึงว่าโกรธก็โกรธได้หรือพูดอีกอย่างก็คือโกรธก็โกรธได้แต่อย่านานรู้เข้าใจไหมโกรธก็โกรธได้แต่อย่านานโกรธนานเนี่ยมันลำบากเพราะอะไรนี่บอกว่าอย่าให้ตะวันตกดินยังโกรธอยู่นะ ถ้าใครอนอนแล้วยังโกรธอยู่เนี่ยโอ้โหมันลำบากมากนอนไม่หลับนะฮะแล้วก็ไม่ได้นอนมันก็จะมีปัญหาก็คือพระพีได้ให้เรารู้ว่าโกรธได้นะแต่อย่าทำบาปแล้วทำไงนะฮะพระพีก็มีแนวทางให้กับเราก็คือการให้อภัยนะครับแต่เดี๋ยวยังไม่พูดตอนนี้นะครับจะพูด อ, อีกอปัญหาหนึ่งแบบไทยๆเรา การพูดโกหกเป็นไงฮะก็เราที่ไม่ว่าเป็นคริสเซียรหรือเป็นใครก็แล้วแต่เนี่ยรู้ว่าการโกรหกเนี่ยเป็นข้อห้ามข้อหนึ่งในศีลห้าแล้วคนไทยปัจจุบันไม่มีใครทําตามนะฮะไม่มีใครทําตามถามว่าแล้วของคริสเซีย่มีไหมก็ปรากฏอยู่ในบัญญัติสิบประการเอ่าในอภิญญบทที่ยี่สิบข้อสิบหกอันนี้น่าสนใจ เอ่อถ้าเราเปิดดูแล้วกันนะฮะเพื่อจะให้เราเข้าใจผมพูดเฉยๆเดี๋ยวคือมาะจักรสิบประการเนี่ยบางข้อเนี่ยก็จะเอ่อพูดสั้นบางข้อก็พูดยาวมระจักรสิบประการในข้อสิบสามบอกห้ามฆ่าคนแล้วไม่พูดอะไรต่อนะห้ามฆ่าคนเฉยๆข้อสิบสี่ห้ามล่วงประเวณีผัวเมียเขานะฮะก็แสดงว่าผู้ชายก็ทําผิดได้ผู้หญิงก็อาจจะทําผิดได้นะไม่ใช่ผู้ชายเอ่ออย่างเดียว ห้ามลักขโมยก็มาที่บายอีกว่ามีอะไรนะแต่ข้อสิบหกเนี่ยบอกห้ามเป็นพยานเท็จใส่ร้ายเพื่อนบ้านเออเนี่ยมันยาวขึ้นมาอีกนิดหนึ่งห้ามเป็นพยานเท็จใส่ร้ายเพื่อนบ้านไม่ได้พูดว่าห้ามโกหกนะแต่การเป็นพยานเท็จใครเดือดร้อนหรือมั้ยเพื่อนบ้านหลายครั้งเนี่ยพวกเราคิดว่าการโกรหกเนี่ยมันไม่เป็นไรโกรหกแล้วมันหวังดีนะเราโกหกอะ่ะ แล้วโกหกที่มีประโยชน์ก็มีน ะ, ะก็มีคนอธิบายอย่างนี้โกหกแล้วมันจะได้สบายใจไม่ต้องทำให้คนอื่นเดืร้อนเธอสวยไหมก็สวยไว้ก่อนดีเธอหลอไหมห อ, อไว้ก่อนดีปลอดภัยไ ม, ไม่ไม่เจ็บตัวถ้าพูดความจริงเดี๋ยวก็เดือดร้อนนะฮะก็ในพมพีเนี่ยการเป็นพยานเะท็จนี่คืออะไร การเป็นพยานเทศเนี่ยคือการที่เราเนี่ยทำให้คนอื่นเดือดร้อนคิดเสียเราเนี่ยมีบ ญ, ญตัตาอยู่แค่สองข้อเองรักพระเจ้าด้วยสุดจิตสุดใจสุดกำลังความคิดแล้วก็รักขึ้นบ้านเหมือนรักตนเองหลายครั้งเราบอกเราไม่ไหวรูปเคารพนะในข้อที่ห้าตอนท้ายบอกว่า ในบทที่สามโคดีบทที่สามข้อห้าตอนท้ายบอกและความโลภซึ่งเป็นการบูชารูปเคารพทําไมความโลภจึงเป็นการบูชารูปเคารพล่ะความโลภคืออะไรความโลภคือความอยากได้อยากได้มากอยากได้รถเบนซ์อยากได้รถบีเอยูากมีมือถือไอโฟนเจ็ดแล้วกำลังแปดจะออกแล้วเจ็ดยังไม่ทันมีเงินซื้อเลยอยากได้แต่แล้วนี่คือความโลภ แล้วความโลภเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นความโลภก็คือว่ามันกำลังให้ความสาคัญสิ่งอื่นเหนือพระเจ้าแล้วการโกรหกคืออะไรการโกรหกก็คือการไม่รักเพื่นบ้างการโกรหกเนี่ยเรานิดว่ามันมีเรื่องคำพูดของเราเองแต่เราโกหกเนี่ยใครเดือดร้อนไหมคนที่ถูกเราโกหกเนี่ยเดือดร้อนคนที่ถูกเราโกหกเดือดร้อน ในสังคมยูโดยพิเศษก็คือการเป็นพยานเท็จเพราะว่าในบัญญัติสิประการเนี่ยพูดว่าอย่าเป็นพยานเท็จใส่ใจเพื่อนบ้านแล้วมันมีบทอื่นๆในธรรมบัญญัติก็คือว่าอะไรบบทอื่นๆก็คือว่าอย่าเชื่อใครยกเว้นมีพยานสองสามปางนั้นในในบทเนี่ยถ้าจะทําให้อีกคนหนึ่งเดือดร้อนเนี่ยก็ต้องหาพยานแล้วถ้าไม่เป็นจริงก็ต้องหาพยานเท็จ และใครที่เป็นพยานเท็ดคนยูเดือดร้อนถึงไหนหรู้ไหมฮะถึงตายถ้ามีพยานปักปัามว่าเขาเหมือนกับพี่น้องคิดเสียจากปากิสถานที่เดือดร้อนต้องหนีมาเพราะว่ามีบางคนใส่ร้ายว่าคนเนี้มาดูถูกศาสนาหรืออะไรเกี่ยวศาสนาปุ๊บคนทั้งหมู่บ้านก็มาลุมคนนั้นได้ และการสร้างพิษอเทศใครเดือดร้อนมนุษย์เดือดร้อนหลายครั้งเราคิดว่าการโกหกเนี่ยมันไม่เป็นไรหรอกเป็นบาปเล็กๆ น, น้อยๆเป็นน้ําจิ้มเท่านั้นเองแต่ว่าการโกหกเนี่ยทําให้คนอื่นตายได้ร้ายแรงมากแล้วอยากจะบอกเราที่หลายคนพยายามอ้างพมพีว่าเออโกหกที่ดีมันก็มีนะฮะเท่าที่ผมจําได้ผมอ่านพมพีมาหลายรอบก็ไม่อวดเก่งมากว่ารู้ทุกเรื่องนะฮะ แต่เท่าที่จำได้มีประมาณสามเรื่องเรื่องแรกคือลาหับหลอกทหารของเมืองเยริโคบอกว่าผู้สอนแนมสองคนเนี่ยหนีออกไปแล้วทั้งที่เขาสอนไว้บนหลังคานะฮะแล้วก็เรื่องที่สองก็คือที่จำได้เมื่ออับซาโลมเนี่ยยึดกลุ่งเยเซมดาวิดเนี่ยต้องรีบหนีข้ามแม่น้ำจอแดนไปอีกฟากหนึ่งเสร็จแล้วก็ส่ง อาสายลับกลับมาสองคนแล้วก็ขณะที่กลับมาเนี่ยทหารของเอับซ์โลมเนี่ยก็ตามมาแล้วก็สองคนเนี่ยจะข้ามน้ํากลับไปไม่ทันก็ลงไปอยู่ในบอ่อแล้วก็เจ้าของบ้านก็พาคุ่มแล้วก็เจ้าของบ้านก็ว่าเขานี่ไปแล้วนี่ก็คือเป็นเรื่องการช่วยชีวิตเรื่องที่สามใครนึกออกมั้ง ผมชักลืมแนละ้วในจดไว้เรื่องโกหกเรื่องที่สามที่ดีมีอีกเรื่องหนึ่งเมื่อเช้าจําได้ไม่ได้จดทันไว้ฮะอ่าผ่านไปก่อนอะแต่ขนาดเนี้ยนึกไม่ออกแซงว่ามันน้อยเราจะพูดถึงโอ้โหสองเรื่องสามเรื่องเยอะไหมโอ้โหมันมันเทียบกันไม่ได้เป็นเรื่องดีๆเป็นร้อยร้ อ, รอเรื่องอ่ะ ก็คือว่าเรื่องโกหกเนี่ยไม่ได้เป็นเรื่องปกตินะครับหลายคนเนี่ยใช้เรื่องโกหกเป็นการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าแต่ว่าการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าด้วยการโกรหกเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นมันสร้างปัญหาใหม่ขึ้นมาแล้วอะไรรู้ฮะต้องโกหกมากขึ้นต้องโกหกหลายครั้ง ต้องโกโหกให้มันแบบว่าทําไงให้เขาจับไม่ได้มันเลยต้องซับซ้อนขึ้นการโกโหกครั้งแรกมันก็เบาๆเราก็เลยโกหกไปแต่พอโกหกครั้งที่สองครั้งที่สาครั้งสี่นี่มันจะหนักขึ้นเรื่อยๆแล้วมันต้องไปยุ่งพันอีลงตรงนั้งกับเรื่องอื่นๆอีกการโกหกจึงเป็นสิ่งที่ทําให้เราต้องโกหกไม่รู้จบหรือพูดอีกอย่างก็คือทําให้เราต้องทํำบาปไม่รู้จบ ถ้าไม่อยากทำบาปก็เลยโกหกตั้งแต่ต้นๆนะฮะคราวนีย้ย้อนกลับมาเมื่อกี้พูดถึงสิ่งที่ไม่ดีคราวนี้ผมพูดว่ า, าพ่อพี่บอกว่าโกดก็โกรธได้แต่จะทำบาปแล้วโกรธยังไงอ่ะโกรธเต็มเตอ่ะโกรธให้ให้มันถูกเรื่องหน่อยนะฮะประการแรกเราต้องรู้ว่าเราเป็นที่รักของพระเจ้าเนะี่ย จริงๆแล้วอ่ะพระเจ้าควรจะโกรธเราใช่ไหมเพราะเราไม่เชื่อฟังพระเจ้าเราทาบาปแต่พระเจ้าให้โอกาสเราที่จะกลับใจใหม่โ อ, องจึงสําแดงความรักโดยการสิ้นพระชนม์บัลลังกเข็พวกเรารู้ไหมหรือเรามั่นใจไหมเราสัมผัสได้ไหมว่าพระเจ้ารักเราหรือลืมไปแล้วตอนรับเชื่อก็น้ําหูน้ําตาไหลแต่ตอนนี้ความรักช่างจืดจางนะวันนี้ก็ทบทวนหน่อยว่าขอยแน่ใจว่าพระเยซู พระเจ้ารักเราจริงๆเราจะผิดหวังกับคนรักผิดหวังกับคนนั้นคนนี้ที่เข้าน้าอยารักเราทำไมเขาไม่รักเราขอให้แน่ใจว่าคนทั้งโลกไม่รักคุณพระเยซูรักคุณแน่ๆทาไมถึงรู้เพราะพงษ์าตายเพื่อคุณนะฮะการที่เราจะโกรธแล้วไม่ทำบาปเนี่ยเราต้องทำยังไงฮนะเราต้องสวมใจเมตตาใจกรุณาใจถ่อม ใจสุภาพออโยนใจอดทนใจอดทนเนี่ยเป็นสิ่งที่เราจะต้องสร้างคือเราอยู่ในสังคมที่ชอบสบายแล้วเราก็คุ้นเคยกับการสบายเราอาจจะมีใจเมตตาคนไทยเนี่ยเรามีน้ำท่วมมีอะไรเนี่ย โ, โหช่วยเราไม่มีปัญหาเรื่องนี้ในสังคมไทยแม้ผมจะไม่เน้นส่วนที่เรามีอยู่แล้วแต่จะเน้น จุดที่เราต้องอพัฒนาก็คือความอดทนนะหลายครั้งเนี่ยก็พ ร, ระเจ้าตายแทนเราพระเจ้าตายแทนเราเอความอดทนเนี่ยเป็นสิ่งที่ยากเพราะเราอยู่ในประเทศที่หาอะไรได้ง่า ย, ายๆนะฮแล้วก็มีของฟรีบ่อยๆนะฮะเราก็ได้อะไรมาง่ายๆเัราเราไม่ค่อยอดทน การอดทนเนี่ยเป็นสิ่งที่ใครต้องสอนนะพ่อแม่ต้องสอนพ่อแม่ต้องสอนนะก็ผมเองเลี้ยงลูกมาสองคนก็ไม่ได้โอ้วดอะไรแต่ว่าเราคิดว่าความอดทนที่เราได้มีไว้แล้วบางครั้งก็หลุดไม่ได้บอกว่าอดทนได้ตลอดยี่สี่ชั่วโมงบางครั้งความอดทนก็ไม่พอก็หลุดเหมือนกันแต่ก็ย้อนกลับไปก็รู้สึกว่าคุ้มค่าที่อดทนอดทนไม่ตามใจลูกอดทนฟังเสียง งอแงอของลูกอดทนที่ลูกเอ่อต่อว่าไม่รักป้าไม่รักหม า, มาแล้วอดทนที่จะฟังสิ่งที่เขาเอ่องอแงอนี่ก็คือต้องอาศัยความอดทนอย่างมากแล้วความโกรธที่ไม่ทําบาปต้องทําอย่างไรครับก็คือให้อภัยให้อภัยคเนี้หลายคนบอกให้อภัยยากถามว่าให้ภัยเนี่ยยากไหม ยากมากครับแล้วก็สิ่งที่น่าสนใจก็คือเวลาเราให้อภัยเรื่องเดียวกันนะเรื่องเดียวกันนะไม่เรื่องใหม่นะเรื่องเดียวกันเนี่ยถามว่าให้อภัยกี่ครั้งถ้าเปโตรถามพี่เยซูอ่ะครั้งเดียวหรือสองครั้งหรือสามครั้งพี่เยซูบอกไม่ใช่เจ็ดคูณเจ็ดสิบครั้งแต่จริงจริงแล้วในชีวิต เป็นจริงอะ่ะเราคงไม่ลาไปนับหรอกถ้าคุณนับทุกครั้งทุกครั้งคุณก็คงจะเอลืมหรือหลับไปแล้วแหละแต่สิ่งที่น่าสนใจก็คือว่าการให้อภัยเนี่ยมันไม่ใช่เป็นเรื่องความรู้สึกเรื่องความรักก็เหมือนกันนะครับความรักไม่ใช่ความรู้สึกความรักคือการกระทําการให้อภัยเนี่ยมันไม่ได้เป็นความรู้สึกแต่มันเป็นความตั้งใจ ฟังดีๆนะฮะความรักไม่ให้เป็นความรู้สึกเป็นการกระทาการให้อภัยไม่ให้เป็นความรู้สึกแต่เป็นความตั้งใจเป็นความตั้งใจจริงๆแล้วถามว่าเมื่อเราให้อภัยแล้วเนี่ยจะมีอะไรเกิดขึ้นนะฮะก็มีหลายอย่างเกิดขึ้นหรือมอีบางสิ่งบางอย่างเข้าใจผิดเกิดขึ้นหนังสือเล่มนี้ยชื่อว่าการเยียวยาบาดแผลเจ็บปวดภายในใ จ, ใจิตใจ และ ว, วิธีรักษาบาดแผลอันหนึ่งที่สําคัญคือการให้อภัยการให้อภัยเนี่ยเขาพูดว่าไม่ใช่ไม่ถือความผิดหรือไม่อคิดว่าสิ่งที่เขาพูดนั้นไม่เป็นไรนะคนไทยอชอบพูดว่าไม่เป็นไรนะในนี้เขาบอกว่าการให้อภัยไม่ใช่อะไรการไม่การให้อภัยไม่ใช่การพูดว่าการกระทําผิดนั้นไม่เป็นไร การให้อภัยไม่ใช่การพูดว่าไม่เจ็บปวดกับสิ่งที่เขาได้ทำลงไปการให้อภัยไม่ใช่การแซงออกราวกับว่าเหตุการณ์นั้นไม่ได้เกิดขึ้นการให้อภัยไม่ใช่ขึ้นอยู่กับคำขอโทษของผู้กระทำความผิดก่อนหรือการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของเขาการให้อภัยไม่ใช่การปล่อยผู้กระทำผิดหลีกเลี่ยงไม่ต้องรับผลที่เขาได้ทำเอาไว้การให้อภัยไม่ใช่การปล่อยผู้กระทำผิดทำร้ายเราหรือผู้บริสุทธิ์คนอื่นต้องเจ็บปวดอีก การให้ภัยไม่ใช่การให้ความไว้วางใจกับคนนั้นอีกครั้งทันทีหลังจากที่เขาได้ทำร้ายเราอันนี้ก็ไม่ใช่ว่าเราจะต้องแสดงละครถูกตบหน้าปุ๊บวิ่งเข้าไปเกาะผมรักคุณเหลือเกินอันนั้นเป็นโรคจิตนั้นเป็นการแสดงละครนั่นเป็นมายาพรพีถึงหวังว่า โกรธก็โกรธได้แต่อย่าทํำบาปไม่ใช่เขาตบคุณมาแล้วคุณเข้าไปกอดบอกโอผมรักคุณเลอเกินมันเขาตบคุณมาคุณเป็นไงคุณก็ต้องหน้าแดงคุณก็ต้องโกรธแต่คุณไม่ให้สวนมัตเปรี้ยงเข้าไปะคุณไม่ต้องสวนมัตเปรี้ยงเข้าไปแต่คุณต้องตั้งสติพระพีบอกว่าเมื่อคุณโกรธแล้วเนี่ยกายให้ไฟมันเริ่มต้นจากไหนเราก็จะนําความเจ็บปวดนะ เราสุขทำร้ายเจ็บปวดไหมเจ็บปวดเราจะนำความเจ็บปวดของเราเนี่ยมาหาพี่เยซูหาพี่เยซูที่ไหนหาที่กังเขนแล้วบอกการให้ภัยอย่างสมบูรณ์สาหรับบาดแผลลึกนั้นต้องใช้เวลาอย่ารีบร้อนการให้ภัยมันไม่ใช่แบบว่าดีนิ้วปุ๊บแล้วก็คนที่ขอภัยหรือขอโทษคนอื่นก็ไม่ใช่บอกว่านี่ฉันขอโทษเธอแล้วทาไมยัง หน้าบึ่งอยู่ความโกรธเนี่ยมันไม่ใช่เป็นแบบว่าเปิปดปั๊บติดปุ๊บนะความให้อภัยมันก็ไม่ใช่เปิดปุ๊บติดปับ๊บเหมือนกันก็คือว่าเมื่อให้อภัยเนี่ยมันใช้เวลาแล้วบางครั้งการให้ภัยเนี่ยมันต้องวนกลับมาคือให้อภัยไปละคุยกันดีๆแล้ะแต่พอมามีเรื่องที่ คนที่ไม่ได้ทําแต่คนอื่นทํากับอีกคนนึงเนี่ยมันก็ปวดจี๊ดขึ้นมาที่หัวใจแล้วมันก็รู้สึกอีกทําไงก็ต้องให้อภัยอีกหมายถึงว่ามันจะเป็นวงโครจรวนได้นะการให้อภัยความรู้สึกเจ็บปวดที่ถูกกระทํามันจะวนซ้ําไปซ้ํามาเราจะต้องทําไงเราก็จะต้องกลับไปหาพระเยซูอยู่เป็นระยะระยะ เราอย่าเข้าใจผิดว่าการให้ภัยนี่มันติ๊งเดียวจบเลิกไปแต่มันจะเป็นเหมือนภาพหลอนที่กลับมาหาเราได้เป็นระยะระยะแต่เมื่อเวลามันผ่านไปแล้วเรามีการเยียวยารักษาตามคำแนะนำของหนังสือเล่มนี้เราก็จะได้รับการรักษาจากพระเจ้าสิ่งที่เป็นเคล็ดลับของเราในการให้ภัยก็คือว่าเราต้องรู้ว่า เราได้รับการอาภัยจากพระเจ้าถ้าฉันมาเป็นคริสเตียนเพราะฉันเป็นคนดีจะมาเป็นคริสเตียนเพราะว่าฉันเนี่ยมีฐานะดีถ้าบวชขาดฉันจะรู้สึกอย่างนั้นเราจะไม่เข้าใจการให้อภัยเรามาบวชเพราะาเราเป็นคนที่พระเจ้าให้อภัยแล้วเราจะเลือกกรหุงอย่างไร สิ่งหนึ่งที่สําคัญเราต้องรู้ว่าการโกรหกมันคืออะไรก่อนการโกรหกกับความโกรธนี่มันแน่นอนชัดเจนว่การโกรธเนี่ยไม่ใช่ความบาปแต่การโกรหกเนี่ยเป็นความบาปทั้งของยิวทั้งของผู้ศาสนาทั้งของคริสเตียนแต่สังคมไทยบอกว่าโกหกไม่เป็นไรเราต้องจับหลักนี้ถูกต้องว่าโกหกไม่ดีโกหกไม่ถูกต้อง ต้องรู้ว่าการโกหกเป็นสิ่งที่ไม่บริสุทธิ์และเราต้องจําเรื่องที่สำคัญที่สุดในชีวิตที่เราไม่ได้ไปสวรรค์ตั้งแต่เกิดก็เพราะเรื่องโกหกเรื่องการหลอกลวงใครโกหกอาดัมกับเอวามานงูโกหกอะ่ะทำให้เราไม่ได้ไปสวรรค์รู้ไห แล้วไปยุบย่อมความโกหกได้ไงโกหกเนี่ยเป็นต้นตอสําคัญของการตกจากพระดายหรือตกจากสวนเอเดนหรือหลุดออกจากสวนเอเดนเพราะการโกรหกแล้วเยซูตําหนิพวกยูอย่างแรงพ่อของเจ้าคือมารทําไมถึงบอกพ่อของเจ้าคือมารเพราะว่าพวกเขาเป็นพวกหลอกลวง ไม่เชื่อสิ่งที่ถูกต้องงั้นถ้าเรายัางรักความโกหกอีกเราก็เตรียมตัวไม่ได้ขึ้นสวรรค์เพราะว่าโกหกทําให้เราออกจากสวรรค์โกหกทําให้เราออกจากสวนเอเดนเรายังไปยุ่ย่องความโกหกได้ไงถ้าเรายกย่องความโกหกก็คือเราอยากเป็นลูกของมารต่อไปทั้งที่พระเยซูไถเราออกจากความบาปแล้วถ้าเรารักความโกหก ก็แสดงว่าเราอยากจะกลับไปเหมือนเดิมท่านเราเป็นลูกของอะไรเราเป็นลูกของความจริงเราไม่เป็นลูกของมารซาตานและวิธีแก้ไขอย่างเดียวกับเรื่องความโกรธก็คือเราต้องรู้ว่าพระเจ้ารักเราคนที่โกหกคือใครคนที่โกหกก็คือคนที่กลัวในพระธรรมยอห์นหนึ่งยอห์นบทที่สี่บอกว่าในความรัก ไม่มีความกลัวถ้าเราโกหกก็เราครูคนที่ยังกลัวอยู่กลัวอะไรกลัวความไม่ปลอดภัยกลัวว่าถ้าพูดความจริงแล้วบอกว่าคุณไม่สวยคุณไม่หลอ่อเขาก็ไม่คบกับเราอีกถ้าเราพูดความจริงนะมีคนมกกักจะบอกว่าคนที่พูดความจริงอ่าความจริงเป็นสิ่งไม่ตายแต่คนพูดความจริงมักจะตายแล้วเราก็กลัวตายด้วย คนที่พูดโกหกคืออะไรคนที่ไม่มั่นใจในความรักของพระเยซูคริสต์ไม่เพียงแต่ต้องรู้แต่มั่นใจในความรักของพระเยซูคริสต์ถ้าพระเยซูยอมตายแทนเราแล้วพงค์จะไม่ช่วยเราหรือถ้าพงค์จะปล่อยให้เราตายก็เพียงแต่ตายฝ่ายร่างกายแต่วิญญาณของเราอย่างรอดแต่ถ้าเราโกหกร่างกายของเรารอดแต่วิญญาณของเราจะตาย ไม่ทราบเข้าใจไหมถ้าเราพูดความจริงเราอาจจะตายแต่วิญญาณเรารอดแต่ถ้าเราโกหกร่างกายเราอาจจะรอดแต่วิญญาณเราอาจจะตายต้องเลือกเอาดีๆต้องชั่งน้ําหนักดีๆระหว่างโกหกกับพูดความจริงเจ้าอะไรแล้วสิ่งที่เราต้องตระหนักนะว่าการโกหกเนี่ยบางครั้งเนี่ย มันไม่ใช่เป็นการป้องกันตัวเราเองแต่บางครั้งเนี่ยการโกรหกเนี่ยทำให้เรารอดแต่คนหนึ่งตายก็ได้ดังนั้นการโกรหกเนี่ยเป็นเรื่องของการเห็นแก่ตัวไม่ได้เป็นความรักไม่ได้มีความรักการโกรหกทำให้ความรั ก, กจืดจางลงก็อยากจะให้คอคิดอันนี้ไม่รู้ว่า จะเอาไปใช้ได้มากน้อยแค่ไหนแต่พยายามคิดเพื่อให้เราตระหนักในทางปฏิบัติผมก็เลยสรุปเป็นประโยคสั้นๆอย่างนี้บอกว่าความจริงที่เจ็บปวดจะช่วยแก้ปัญหาที่เยอะที่เกิดจากการโกหกความจริงที่เจ็บปวดจะช่วยแก้ปัญหาที่เยอะที่เกิดจากการโกหกหลายครั้งเราคิดว่าการโกหกมันจะแก้ปัญหาเฉพาะหนะ้า แต่เราสร้างปัญหาใหม่ไม่รู้จบแต่ถ้าจะหยุดปัญหาต้องพูดความจริงแต่พูดความจริงเจ็บปวดแค่ไหนเจ็บปวดถึงตายนะแต่มันจะหยุดมันจะหยุดปัญหาที่ยิาา่งเยอะคาราคาซังทำไมเราต้องเสริมสร้างชีวิตใหม่ทำไมเราต้องทิ้งตัวเก่าทำไมเราต้องเสริมสร้างชีวิตใหม่นี่ก็บอกว่าเพราะเราต้องอยู่ด้วยกันอีกนาน พวกเราเนี่ยที่นั่งอยู่เนี่ยต้องอยู่ด้วยกันอีกนานยกเว้นบางคนไม่อยากอยู่แล้วก็ลาจากไปห้องประชุมนี่มันไม่เต็มสักทีเพราะว่ามีบางคนไม่อยากอยู่ด้วยกันนานๆแต่พวกเราที่ยังอยู่คอยรู้ว่าต้องอยู่ด้วยกันอีกนานนะฮนานขนาดไหนนานแบบนิรันดร์นานเท่านานนะฮะถ้าเราต้องอยู่ด้วยกันนานเนี่ยเราจะโกหกกันไหมเราจะต้องอยู่ด้วยกันอีกนานเราจะ โกรกันแบบไม่แห้อภัยกันไหมนะเมื่อวานเนี่ยก็ได้ไปทำพิธีแต่งงานแต่ไม่ได้เป็นผู้ให้โอวาทแต่มีผู้ให้โอวาทคืออาจารย์สุพิษวิจักรโยทินเนี่ยท่านแต่งงานมาแล้วห้าสิบหกปีแล้วก็สามีของท่านคืออาจารย์โยนานเนี่ยช่วงหลังประมาณสิบเอ็ดปีป่วยเป็นโรคอัลไซเมอร์จำอะไรไม่ได้แล้วก็เไวัยวาย เสีงดังแต่อาจารย์สุพิธเนี่ยที่เป็นภรรยาเนี่ยต้องดูแลใกล้ชิดคนอื่นไม่สามารถดูแลเพราะว่าเ้วไม่ได้เรียกอาจารย์สุพิธว่าที่รังหรืออะไรจะเรียกว่าอาจารย์สุพิธไม่เรียกไม่รู้ว่าคือใครแต่รู้ว่าเป็นอาจารย์สุพิธเขาจะเรียกว่าอาจารย์สุพิอ่ธยังยังยังจําชื่อได้แต่ไม่รู้ว่าเป็นไรกันนะะ เ้ามีคนมาถามว่ากินข้าวอะไอยังก็บอกไปถามอาจารย์สุพิษสภาพอย่างนี้ไม่ง่ายแต่ว่าคนที่อยู่ใน p ิเยสคเนี่ยทำได้เพราะอาจารย์สุพิษรู้ว่าวันหนึ่งทั้งสองคนก็นนต้องจากไปแล้วสภาพแบบนี้มันชั่วข่าวโั้แต่สิบเอดปีชั่วข่าวอะไรปะตั้งสิบอ็ดปี 1ิบเอดปีที่เป็นสภาพยังไม่ห้าสิบหกปีแต่งงานกันแต่ป่วยสิบเอ็ดปีสภาพแบบนี้สภา พ, ภาพที่ต้องอดทนโดยที่อีกคนหนึ่งเนี่ยไม่รู้เรื่องแล้วก็คู่แต่งงานเนี่ยต้องต้องต้องทนก็เลยใช้คำว่าตั้งสิบเอ็ดนปะีถ้าห้าสิบหกปีเรียบร้อยก็โอหอยู่ได้ต้องห้าสิบกปีแล้วโอ้ภาคภูมิใจ แต่ต้องใช้คำว่าตั้งสิบอดปีเนี่ยเพราะว่ามันมันมันหนักมันยากะครับเพราะฉะนั้นพวกเราทั้งหลายที่อยู่ในนี้ต้องรู้ว่าเราต้องอยู่ด้วยกันบนสวรรค์นานมากคเพราะฉะนั้นต้องฝึกที่จะอยู่ด้วยกันในโลกนี้ตอนนี้เป็นเหมือนกับสนามสอบทดสอบเราจะอยู่ด้วยกันนานแค่ไหนถ้าเรารู้ว่าเราต้องอยู่ด้วยกันอีกนานเนี่ยเรายังจะมีแรงโกรธกันอีกไหมทำไมครับทาไมถึงบอกใช้คำว่าแรง ความโกรธนี่เป็นพลังสูงนะคนโกรธเนี่ยคนที่โกรธแล้วโกรธไม่เป็นเนี่ยจะใช้พลังงานเป็นสองเท่าคนที่โกรธไม่เป็นเนี่ยแล้วก็เอ่อเอาอะไรเนี่ยมาโกดคนอื่นเขากดไม่ได้เพราะเขาไม่รู้เราก็กด ต, ตัวเองนะบางคนนอนทั้งวันทั้งคืนก็ทําทำไมเหนื่อยเพราะว่าอะไรเพราะโกรธแล้วไม่สามารถรีลีสความโกรธต้องเอาพลังเงียบพลังแฝง ตัวเองไปกดทับมันก็เหนื่อยทั้งวันเพราะว่าความโกมรธพลังเหมือนภูเขาไฟมันระเบิดเราเอาก้อนหินเราเอามือไปกดทับบนภูเขาไฟไว้เจ้าแรงที่ไหนไปสู้กับแรงโกรธโกรธนี่เป็นพลังงานยิ่งใหญ่ถ้าเราต้องโกรธทั้งปีทั้งชาวันละโกรธหลายๆครั้งเนี่ยเราจะหมดแรงไม่มีเอเนอรไม่มีพลังงานไปทำความดีอย่างอื่นถ้าเราจะต้องอยู่ด้วยกันอีกนาะนเราจะ มีปัญญาแต่งเรื่องโกหกไปได้เรื่อยๆไหมอ้าโกหกครั้งหนึ่งแล้วมาเจอกันอีกล้ว<ม>ก็ต้องหาเรื่องโกหกใหม่แล้วต้องหาเรื่องโกหกใหม่ไปเรื่อยๆก่ อ, อให้เป็นนักสร้างสารรค์จินตนาการแค่ไหนถ้าอยู่ด้วยกันเป็นนิรันดร์การเนี่ยรู้จัก เ, เรื่องโกหกอย่างไรมาเล่าล้วหมดพุงหมดปัญญาดงั้นพูดความจริงง่ายกว่าเยอะถ้าเรารู้ว่าเราต้องอยู่ด้วยกันอีกนาน อย่าไปเสียเวลาสร้างเรื่องโกหกนี่ที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าชีวิตคริสเตียนเนี่ยไม่ใช่ชีวิตที่โดดเดียเ่ยวนะเพราะว่าในออตอนต้นที่ผมอ่านไปแล้วบอกว่าพระเจ้าเนี่ยเรียกให้เราเนี่ยมาอยู่ด้วยกันนะพระเจ้าให้เราอยู่ด้วยกันเพ่อพี่ตอนที่ เปโตตัหนังว่าพี่เยซูคือพระคริสต์เนี่ยพี่เยซูบอกว่าบนศีลาเนี้เราจะตั้งคิดจักรไว้หมายความว่าไงพระเจ้าเลือกคิดจักรเป็นตัวแทนของพรง์ในโลกนี้ที่มนุษย์เห็นได้นะคิดจักรเนี่ยเป็นตัวแทนของพระเยซูคริดที่คนทั่วไปมองเห็นบางครั้งบอกวจะเป็นได้ไงคิดจักรเนี่ยไม่สมบูรณ์ท่ามกลางความไม่สมบูรณ์เนี่ยพระเจ้า กำลังสร้างเรากําลังจัดการกําลังตกแต่งเราแต่สําคัญคือเราต้องยอมให้ผงสร้างพระเจ้าใช้คิดจังในการสร้างชีวิตคริสเตียนชีวิตคริสเตียนต้องไม่โดดเดี่ยวมีหลายคนชอบผู้บอกว่าอยู่บ้านน้สกัดก็ได้ก็ใช่ความจริงอยู่บ้านน้ำสกัดเนะี่ยไม่ใช่เฉพาะวันอาทิตย์นะฮะคุณต้องอยู่บ้านน้สการทุกวันแต่ว่าการมาสกาัดร่วมกันเนี่ยอาทิตย์ละครั้งเอง น้ำสการพระเจ้าไม่ใช่เฉพาะวันอาทิตย์แต่ต้องน้ำสการทุกวันที่บ้านถูกต้องแต่น้ำสการรวมกันเนี่ยมันคือวันนี้เราไม่ใช่เป็นครื่อเซียนแบบทุต่งนะพระมีหลายแบบนะพระที่ประจําวัดกับพระทุต่งแต่เราที่เป็นเครื่เซียนเราไม่มีทุต่งนะเรามาน้ำสการพระเจ้าด้วยกันอาจจะอยู่บ้านน้ำสการพระเจ้าน้ำสการเป็นครอบครัวแต่ เราต้องรวมเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันแล้วก็ที่เราต้องละทิ้งสิ่งเก่าและใส่สิ่งใหม่เพื่ออะไรเพื่อเราจะอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขถ้าเรายังมีตัวเก่ามันก็อยู่ยากใช่ไหมเออพบว่าเมื่อเรามาเป็นคริสเตียนเนี่ยเรามีสันที่สุขที่โลกเนี่ยไม่ได้ให้นะะถึงแม้มีความยากลาบากเราก็ยังมีความสุขมันไม่ยิ้มได้ตลอดเวลาแต่ว่ามันมีความสุขที่มาจากภายในเพราะเรามีประสบการณ์กับพี่เยซูคริส แล้วก็เราจะอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขก็ต้องมีความรักแบบประคิดไม่ใช่เป็นความรักแบบหนุ่มสาวไม่เป็นความรักแบบอารมณ์ไม่เป็นความรักแบบใช้ความรู้สึกเป็นที่ตั้งแต่ใช้ความตั้งใจใช้การกระทาแล้วก็มีใจขอบพระคุณของพระเจ้าในทุกกรณีนนะตามที่อาจารย์เปาโลสอนเราช่วง เดือนพฤศจิผมกับอาจารย์โมนอาจารย์สุนีเนี่ยได้ไปพักที่หูหินในโรงแรมเนี่ยมีผู้จัดการคนหนึ่งชื่อว่าหนูเราประทับใจพนัก ง, งานทุกคนเลยของโรงแรมนั้นตั้งแต่คนต้อนรับไปจนถึงคนสวนเพราะาอะไรทุกครั้งที่เราเดินผ่านเนี่ยพวกเขาทำอะไรอยู่ก็าตามเนี่ยหยุดยืนแล้วยกมือสวัสดีครับแล้วการสวัสดีของเขาเนีไม่เหมือนเซเว่นอีเลเวนไม่รู้เข้าใจปะ การสวัสดีแบบเซเวเอเนี่ยไม่น่าประทับใจยกมือสวัสดีครับแล้วเขาก็ดูอะไรอยู่ไม่รู้แต่สวัสดีแม้ทัางไทนเตอร์ก็ยังสู้ที่เราไปพักไม่ได้บางทีสวัสดีครับแล้วก็คุยกันอยู่แล้วไปยกมือพูดแบบท่องจำแต่ว่าที่เราไปพักเนี่ยเขาสวัสดีออกมาจากข้างในเขาหยุดยืนเรียบร้อย มองหน้าเราสวัสดีเราแล้เราเดินไปก่อนเขาไม่ให้รีบๆไม่ทําแบบขอไปทีแต่ตั้งใจไปถามคุณหนูว่า โ, โหทําไมฝึกพนักงานได้ดีอย่างนี้เขาบอกว่าเวลาเขาสัมภาษณ์เนี่ยเขาไม่ได้พิจารณาที่ความสามารถหรอกเขาบอกให้ความสามารถฝึกกันได้แต่เขาจะชวนคนที่มาสมัคร ง, งานเนี่ยคุยไปเรื่อยๆแล้วเขาจะสังเกตทักษะคติของคนคนนั้นเขาจะเลือกที่ท่าคติ ว่าเป็นอย่างไรการขอบคุณพระเจ้าเนี่ยเป็นทัศนคติของเราไม่ได้อยู่ที่เหตุการณ์แต่เป็นทัศนคติของเราที่มีต่อพระเจ้าว่าเราขอบคุณพระเจ้าเราพอใจในสิ่งที่เราได้จากพระเจ้าในแต่ละวันนี้ไหมเพราะว่าพระเจ้าของเราเนี่ยเป็นพระเจ้าที่พลิกประวัติศาสตร์เปลี่ยนสถานการณ์ได้อย่างน่าทึ่งอย่างน่าเหลือเชื่อหลายอย่างที่เราคิดไม่ถึงแต่ถ้าเรามีทัศนคติที่ดี ไอสิ่งที่มันแย่ๆเนี่ยมันก็เปลี่ยนไปได้อย่างทันทีทันใดแล้วก็สิ่งที่จะช่วยให้เราเปลี่ยนแล้วที่บอกสวมๆเนี่ยถ้าจะเป็นรูปธรรมเราจะสวมใจกุณาใจเมตตาได้ไงก็อ่านพัมผีอ่านพัมพีไม่ใช่เอาเสื้อมาใส่ใส่ใส่ไม่ใช่เขียนคําว่าใจกุณาแล้วก็ใส่ที่หนึ่งใจเมตตาแล้วว่าเอามาใส่ไม่ไปเขียนเสื้อสีดําหรือสีขาวด้วยคําเหล่านั้นแล้มาสวม แต่การสวมในที่นี้ที่เป็นรูปธรรมเลยก็พูดง่ายๆก็คืออ่านพุม่มพีเพราะการอ่านพุ่มพีจะทําให้ถ้านัศนของเราเปลี่ยนเมื่อานะติของเราเปลี่ย น, ยนชีวิตของเราก็เปลี่ยนทําไมบางคนเป็นคดียต้องนานชีวิตไม่เปลี่ยนตอบแบบกําปั้นทุกดินก็ได้ว่าไม่อ่านพุม่มพีไม่มาเรียนรู้ไม่สนใจพุ่นาของพระเจ้าฟังเทศก็หลับฟังเทศก็ทําอะไรก็ไม่รู้แต่คนที่ ถามทีของพระเจ้าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงจากภายในแล้วก็อีกอันหนึ่งที่ยากที่คนไทยไม่ค่อยพูดมันโกหกมันก็มาจากอย่างนี้แหละแต่ถ้าจะไม่โกหกก็คือต้องกล้าเตือนสติกันด้วยสติปัญญาที่มาจากพระเจ้าคือจะรู้ว่าเขาทําไม่ดีบางครั้งไม่ได้ทำไม่ดีกับเราแต่ทําบางอย่างไม่ดีเราก็ต้องกล้าเตือนสติการเตือนสติบางครั้งเนี่ยมันเสียเพื่อนเนี่ยมันเสียเสียความสัมพันธ์ได้เหมือนกันแต่ว่า พระเจ้าสอนให้เราที่จะเตือนสติกันแล้วกันเพื่ออะไร <P> เพื่อช่วยให้คนนั้นน่ะไม่สุกร่ายออกจากสวรรค์หรือไม่มีโอกาสขึ้นสวรรค์การเตือนสติเป็นความรักอย่างหนึ่งลูกชายของผมคนเล็กเนี่ยโจเซฟเนี่ยเวลาโดยตีเขาจะหรือเวลาเราว่าอะไรเขาเนี่ยเขาจะโต้อตอบเราใช่ไหมไม่รักป๊ะปะ๊าไม่รักหมามาแล้วอันนี้คือความเข้าใจผิดของเขาแต่ตอนนี้เขาโตแล้ว เขาย้อนกลับไปเขาขอบคุณที่ป้าป้ามาเนี่ยสอนเขาการเตือนสีก็ต้องอาศัยความอดทนนะเพราะว่าอะไรต้องยอมให้คนอื่นเกี ย, ยิไม่ง่ายนะแต่ถามจากประสบการณ์ชีวิตก็ตอบว่าถ้าเตือนสติก็คุ้มค่าเพราะว่าอะไรเพราะว่าเมื่อเวลาผ่านไปคนที่รับการเตือนแล้วก็ ได้ประโยชน์เขาก็จะสํานึกโจเซฟเนี่ยไม่ใช่เฉพาะสํานึกสิ่งที่พ่อแม่ทําเท่านั้นเองเมื่อวานเนี่ยคนที่แต่งงานคือครูสอนเปีย โ, โนของเขานะะตอนเด็กๆ เ, เนี่ยเขาดื้อมากไม่อยากเล่นไม่อยากเรียนแล้วเมื่อวานเนี่ยรู้ว่า อ, อครูสอนเปีย โ, โนจะแต่งงานก็เลยฝากมาบอกว่าต้องขอโทษครูด้วยนะต้องขอบคุณคุณครูที่ อถึงแม้เขาดือ้อตอนเด็กๆเกนี่ยเขาดื้อเขาจําได้เขาจําจได้ว่าตัวเองอดือ้อเขาก็ขอบคุณครูที่อดทนสอนเขาในตอนเด็กเมื่อคนเราเติบโตขึ้นเราจะเข้าใจว่าไอ้การเตือนสีเนี่ยมันมีประโยชน์สูงมากแล้วอีกสิ่งหนึ่งก็คือว่าเราจะรู้จักกันได้ดีก็คือเราต้องคุยกันบ่อยๆก็ขอบคุณพระเจ้าที่คิดจักของเรามีโอกาสให้เราคุยกันนอกจากเออ่ ฉันเรียนลวีมีกลุ่มเซลล์มีการอธิษฐานมีกลุ่มคณะแล้วก็ทานอาหารเที่ยงด้วยกันนี่ก็เป็นการสร้างโอกาสให้เราคุยกันก็เราคุยกันบ่อยๆแต่ถ้าการคุยกันในวันทิตย์ไม่พอก็ต้องคุยกันระหว่างอาทิตย์ด้วยการคุยกันเนี่ยก็ทำให้เรามีความสอสมกันอีกอันหนึ่งหลายคนอาจจะมองคิดจากเราในแง่ลบหลายๆอย่างแต่ว่า สิ่งหนึ่งที่เมื่อวานเนี่ยได้คุยกับโจเซฟสักสองสามชั่วโมงแต่บทสนทนาอันหนึ่งเนี่ยน่าสนใจมากเขาเนี่ยได้อ่เป็นผู้ช่วยผู้ดูแลหอหรือเรียกตัวย่อว่า RARA RA เนี่ยก็คือผู้ช่วยหัวหน้าหอแล้วก็เมื่ออาทิตย์ที่แล้วเนี่ยเขาได้รับการประเมินผลจากผู้ที่อยู่ในหอเนี่ยเขาบอกว่าได้คะแนนสูงกว่า ผู้ช่วยอื่นๆแล้วก็ผู้ที่เขียนบางคนเขาบอกว่าตั้งแต่มีผู้ช่วยหอมาหลายคนเนี่ยคุณเนี่ยเป็นคนที่ดีที่สุดเราที่เป็นพ่อแม่เราก็ภาคภูมิใจแต่เมื่อวานเนี่ยก็มีการประเมินผลอีกอันหนึ่งก็คือผู้ที่เป็น ra ด้วยกันหลายๆคนเนี่ยก็ประเมินสิ่งที่เขาได้รับก็คือว่าเขารับคาชมบอกว่ามีทักษะในการสนทนาเนี่ย สูงที่สุดต้องเข้าใจนะฮะคนไทยเนี่ยพูดไม่เก่งสู้ฝรั่งไม่ได้แต่เขาเนี่ยได้รับคาชมว่ามีทักษะในการสนทนาสูงมากนะเราเป็นพ่อแม่ก็ภาคภูมิใจแต่พวกเราทุกคนที่นั่งอยู่ที่นีควรภาคภูมิใจเพราะอะไรรู้เขาบอกว่าทักษะเนี่ยเมื่อเขาคิดย้อนตอนที่เขาเป็นเด็กเนี่ยเขาบอกว่า ทักษะเนี่ยได้มาจากไหนได้มาจากคิดจักรซีโอนถามว่าทําไมเขาบอกที่คิดจักรซีโอนเนี่ยมีคนหลายระดับมีคนอายุมากมีคนอายุน้อยมีคนมีฐานะดีมีคนอาฐานะไม่ดีแต่เขาว่าคุยกับใครเนี่ยทุกคนก็คุยกับเขาเขาคุยได้กับทุกคนเลยแล้วเขาก็รู้สึกเขามีความมั่นใจที่เออ่ได้เรียนรู้ในการพูดคุยกับคนได้ทุกระดับทุกเรื่อง แลคนก็ยินดีคุยกับเขาเขาเลยได้ทักษะนี้มาจากคีดจักรซีอวนแน่นอนคิดจักรของเราไม่สมบูรณ์แบบมีหลายเรื่องที่เราต้องปรับปรุงแก้ไขก็คือว่าเขาก็บอกเออแตม่มีครั้งหนึ่งเนี่ยที่เขารู้สึกไม่ดีกับโบสก็คือว่ามีครั้งหนึ่งเพื่อนของเขาเนี่ยมาที่โบสเมื่อ ม, มีใครคุยกับเขาเลยนอกจากเขาคนเดียวอันนี้เป็นเสียงสะท้อนและเราเองก็ต้องตระหนักแล้วโบสเราก็ตระหนักก่อนที่ โจเซ่กคอมเมนต์เพราะฉะนั้นอในวันนี้และในวันต่อๆไปมัคณายกจะทําหน้าที่ต้อรับคนใหม่ทุกคนเราจะปิดช่องโวเ่ช่องที่เราอ่อนแอแต่ช่องที่ดีแล้วต้องทําต่อไปก็คือคุยกับทุกคนคุยกับใครก็ได้คนที่รู้สึกตัวเองเนี่ยมีฐานะต่ําต้อยก็อย่าอายที่จะพูดกับคนที่มีฐานะดีกว่าเพราะว่าคนที่มีฐานะที่ดีกว่ามาโบนี้ เขาก็ถือว่าเขายอมรับพวกเราอยู่แล้วเขาถึงมามีโบยถ์เยอะๆที่ใหญ่กว่าเราสวยกว่าเราแต่เขามาโบสนี้ถ้าใครเลือกมาโบสเนี้ยแสดงว่าเราคุยได้กับเขาเพระเขายินดีมาโบสนี้เพราะฉะนั้นถึงแม้เราจะมีฐานะไม่ดีเราก็คุยได้ถึงแม้เราเป็นเด็กเราคุยกับผู้ใหญ่ได้แล้วผู้ใหญ่ก็ยินดีคุยกับเรางนั้นทักษะเกิดขึ้นได้ด้วยมีทะหะติที่ดีนะแล้วก็อยากจะบอกว่า อไม่เอาลูกมาอวดแต่ว่าส่วนเนี้เป็นส่วนผลสําเร็จของคริดจังเพราะว่าตอนโจเซ่เป็นเด็กเนี่ยผมกับภรรยาเนี่ยมีปัญหาตั้มสู้ขเขาทุกอาทิตย์เลยนะครก็คือไปปลุกเขาตื่นแล้วเขาจะบ่นบอกว่าทําไมอะ่ะจะต้องตื่นเช้าไปโบสถ์ด้วยแล้วเขาบ่นทุกวันอาทิตย์เลยที่เราขุดเขาให้มาโบสถ์บอกทําไมต้องมาเช้าเนี่ยพอเราต้องมา สอวีอะไรเนี่ยก็ต้องให้เข้ามาทันแล้วบางครั้งเข้ามาเขาก็ไปนอนที่รถไม่อยากเรียนละวีมัง่งอะไรมัง่งแต่ว่าการปั้มสู้ของเราเนี่ยก็ปรากฏว่าทําให้เขามาโบส ท, ทุกอาทิตย์เข้ามาโบสถุกอาทิตย์ถึงแม้เขาจะโบนโบนโบนไม่อยากมาโบต์แต่เดี๋ยวนี้เขาก็คิดถึงโบต์เขาก็ยังคิดถึงอ อ, อนุชนเขาอยาง ถึงแม้ตอนนี้ยตัวเนี่ยอยู่ที่นั่นแต่ว่าใจก็ยังอยู่ที่นี่แล้วเขาก็ภาคภูมิใจโบสของเราเมื่อเข้าไปที่นั่นอ่ะเขาก็พยายามหาโบสหลายโบสจนขั้นเขาเจอโบสโบสหนึ่งซึ่งเป็นโบสชาวเวียดนามเขาบอกโบสเนี้ยเหมือนกับโบสซีโอเลยเขาเลือกโบสถ์ไม่เลือกโบสใหญ่แต่เขาเลือกโบสที่อบอุ่นให้ความเป็นกันเองเหมือนกับคิดจากซีโอนัแสดงว่าอะไรการเป็นคิดจากซีโอนเนี่ยได้ประทับ ลงไปในหัวใจของลูกชายของผมนั้นแสดงว่าคนอย่างโจเซฟหลายคนรู้จักคนอย่างโจเซฟดีนะที่พูดเนี่ยเราไม่ไปหลายคนเขาอาจจะบอกว่านักเทศไม่ควรพูดเรื่องส่วนตัวแต่ถ้าไม่พูดเรื่องส่วนตัวมันก็ไม่รู้เป็นเรื่องแต่งที่ไหนมาหรือคนอื่นเขาแชร์กันเยอะแยะแต่นี่เป็นเรื่องจริงแล้วก็ผมพูดเนี่ยเพราะทุกคนรู้จักโจเซฟมีตัวเป็นๆตัวอยู่นะมันไม่เป็นเรื่องที่เราแต่งขึ้นมารู้ความดื้อของเขาในวัยเด็ก รู้ความเ่ารู้ความโกรธของผมเวลาเขาดื้อมากๆเนี่ยบางครั้งเนี่ยโกรธจนอยากจะเลิกรับใช้เลยเพราะลูกตัวเองเอาไม่อยู่เลยจะไปสอนใครได้แต่เมื่อวันนี้มาถึงเนี่ยเขาเปลี่ยนไปจากหน้ามือไปหลังมือไม่ใช่ด้วยตัวผมเองแต่ว่าคิจังเนี่ยมีส่วนหล่อล้อมชีวิตของเขาแั้นทําไมพระเจ้าเนี่ยถึงให้มีคิจังทําไมเราเชื่อการมาโบสถเพราะลูกของผมได้ประโยชน์จากบสถแห่งนี้ ทำไมผมไม่ไปบสถ์ถือมีเยอะแยะยยที่ไปได้มีโบสถ์ใกล้ๆแถวบางนาทำไมคุณนำหน้าแจ้งหน้าต้องมาโบสถ์เนี่ยเดินทางก็ไกลลาบากเราเชื่อว่าปบสนี้พระเจ้าทรงสถิตอยู่บางคนไม่เชื่อก็อาจจะไปที่อื่นแล้วก็เป็นเรื่องของเขาแต่เรารู้ว่าบสนี้พระเจ้าใช้เปลี่ยนชีวิตของลูกของผมเนี่ยสิบกว่าปีเนี่ยคนอื่นจะบอกว่ามีฤทธิ์เดชอะไรผมก็ แล้วแต่เขาผมไม่ว่าอะไรแต่ผมรู้ว่าพระเจ้าเปลี่ยนคนคนหนึ่งที่ดื้อๆกลายเป็นอีกคนหนึ่งเนี่ยเพราะว่าคือจักแห่งนี้มีส่วนในการหล่อหลอมชีวิตของเขาเขาก็จะบ่นบนแต่เขาก็ได้เข้าเรียนระวีก็จะบ่นบ่นเขาก็ยังมานั่งฟังเทศเขาบ่นบ่นก็ไปเล่นบอลบอนลสาวบ้างความจริงเนี่ยบวนนี้กับโรงเรียนที่เข้าเรียนเนี่ย มันป้ากระดินเพราะ i c ซเอเนี่ยเป็นโรงเรียนอินเตอร์อเด็กที่นไฮโซแล้วขอบคุณพระเจ้าที่เขาไม่รู้สึกไม่อยากมาโบท น, นี้เพียงแต่เขาไม่อยากตื่นเช้าเขารู้สึกว่าที่นั่นนะ่ะเป็นอีกโลกหนึ่งที่นี่ก็เป็นอีกโลกหนึ่งแต่แค่อัติตย์ละหนึ่งวันชีวิตของเขาก็ได้รับการเปลี่ยนแปลงไม่ใช่ว่าโรงเรียนไม่ดีนะ โรงเรียนก็ดีเพราะเขาทําให้เขามีความรู้ทํำให้เขาภาษาอังกฤษเขาดีแต่ว่านิสัยของเขาเนี่ยได้รับการเปลี่ยนแปลงที่นี่ที่นั่นก็ได้ด้วยเหมือนกันแต่ที่เขานึกย้อนกลับไปเขาก็ผูกพันกับที่คิดจักแห่งนี้ถ้าคิดจักแห่งนี้สามารถทําให้เด็กคนหนึ่งที่ซ่ามากในวัยเด็กเปลี่ยนแปลงได้ทําไมเราไม่ยอมมาคิดจักทําไมเราให้ ลูกของเราเรียนพิเศษวันอาทิตย์ทําไมเราเอาปณีปนอมกับลูกของเราทําไมเราไม่ให้ความสําคัญกับคริดจักรแห่งนี้น่าเสียดายมากพระเจ้าเลือกคริดจังเป็นที่หลอ่อหลอมพระเจ้าไม่เรียกเราให้ออกมาจากโลกไปอยู่คนเดียวไปอยู่โลกพระจันทร์แต่พระเจ้าเรียกเราและให้ส่งเราเข้ามาที่คริดจักรเพื่อเราจะเตรียมพร้อมไปอยู่ในสวรรคสถานนิรันดร์กัน ฉะนั้นอยา่าคิดหนุนใจให้เราเนี่ยได้ไข้ควรไตรตรองสิ่งที่เราได้ฟังในวันนี้แล้วก็เพิ่มโอกาสให้กับตัวเองในการพูดคุยกับคนอื่นอย่า ก, กลัวที่จะคุยกับคนอื่นแล้วถ้าเราไม่มั่นใจขอให้เรารู้ว่าพระเจ้ารักเราหน้าเราอะ่ะไม่สําคัญอะ่ะคนไทยเนี่ยไม่ค่อยกล้าคุยกับคนอื่นเพราะกลัวเสียหน้าแต่อยากให้บอกให้รู้ว่าหน้าของคุณเนี่ยไม่มีแล้ว สิ่งที่อยู่ข้างหน้าคุณคือพระเยซูคริสต์ต้องเอาตัวเองเนี่ยไปอยู่ข้างหลังพระเยซูเวลาไปหาใครอ่ะเอาพระเยซูขึ้นหน้าอย่าวัวเองขึ้นหน้านะเขาอาจจะเอปฏิเสธหรือไม่พอใจคุณแต่ว่าถ้าคุณเอาความรักของพระเยซูคริสต์แล้วถ้าเขาตอบว่าเขาไม่ได้ตอบว่าคุณกําลังตอบว่าพระเยซูแล้วพเยซูก็จะรู้ว่าจะต้องรักเขาอย่างไงบางครั้งเราไม่รู้หรอกว่าต้องพูดกับเขาอย่างไงแต่ถ้าเรามอบให้พระเยซูไปพูดกับเขา ไม่เห็เอาตัวเนื้อหนังของเราไปพูดเราก็ยังมีโอกาสสำแดงความรักต่อคนอื่นจากพระเยซูคริสต์งนั้นคําว่าสวมไม่ใช่ข้างนอกนะฮะสวมหมายถึงรักการเปลี่ยนแปลงจากข้างในด้วยพระนะของพระเยซูคริสต์ขอเราร่วมใจที่ทานนะครับข่าแต่พระเจ้าผู้ทรงฤทธิ์พงษ์ทรงเป็นพระเจ้าที่ยิ่งใหญ่ที่ทรงรักคําหลายทั้งที่ข้ามหลายไม่รักข้าพเจ้าสอนให้ข้ามหลายรักคนอื่นเหมือนกับที่พระเยซูคริสต์รัก ขอพระเจ้าสอนให้ข้ามหลายที่จะไม่โกรธนานขอให้ข้ามหลายเรียนรู้ที่จะให้อภัยขอพระเจ้าช่วยข้ามหลายที่จะเลิกโกหกเพราะว่าข้างหลายเป็นลูกของความสว่างข้ามหลายไม่เป็นลูกของมารขอพระเจ้าให้ข้างหลายรับกระแสของความผีมากกว่ากระแสของโลกนี้ขอพระเจ้าช่วยข้ามหลายที่จะรักการอ่านชนะให้การอ่านชนะเปลี่ยนแปลงข้างในของข้ามหลายขอพระเจ้าทรงนํา ขอขอบคุณสันเสริญพง์ในพระ น, า, นษษษษษษามพระเยซูคริสต์เจ้าหาเมน